เอาก็ขอมรธานาในรอบสุดท้ายนี่เนี่ยในการที่เราท่านทั้งหลายจะฟังธรรมกันเออในครั้งนี้ก็คือเน้ต่อในเรื่องของบารมีทั้งสามสิบทัศเนี่ยในการบำเพ็ญบารมีสาสิบทัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญมาก็มี ทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติสัจจะอธิฐานนะแล้วก็เมตตาอุเบกขาบารมีในบารมีทั้งสิบทัศเนี่ยนะที่พระบรมโพธิสัตว์บำเพ็ญมาเนี่ยหรือ30สทัศเนี่ยในรายละเอียดของบารมีนั้นน่ะนะในการบ่มเพาะอัธยาศัยในการสั่งสมอัธยาศัยในการบำเพ็ญบารมีนั้นน่ย ในบารมีแต่ละบารมีนั้นนะ่ะก็มีทั้งลักษณะรักษณะปัจจุบันฐานประทัศ ฐ, ฐานของบารมีค่อนข้างที่แต่ละข้อนั้นนะ่ท่านท่านกล่าวไว้ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของบารมีต่างๆที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านได้กระทำหและสั่งสมอัตฉยาใสามานะนะั้นน่ะถามว่าอะไรคือลักษณะ อะไรคือรักษาอะไรคือปัจจุบัฐานอะไรคือประฐานก็หมายความบอกว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยนะในทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะปัญญาวิรยิยขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็เวขาบารมีอุปบารมีสิบแล้วก็บารมิทธบารมีสิบเนี่ยในบารมีธรรมทั้งหมดนั้นนะ่ะถามว่าบารมีต่างๆเหล่านั้นนะ่ะ มีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะฉะนั้นการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโบ ร, รมโพธิสัตว์นั้นน่ะไม่ใช่บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่ออนุเคราะห์ตนเองตรงเนี้ยซึ่งลักษณะนี้สาคัญมากใช่ไหมเราจะได้รู้ลักษณะของบา ร, รมีทั้งหลายที่พระโรมโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบเพ็ญมาอัธยาศัยที่ท่านจะให้ทาน ที่ท่านจะรักษาศีลที่ท่านจะบําเพ็ญเนคขมมะเพื่อเห็นโทษเห็นโทษภัยของวัตฏะของภพตลอดถึงในเรื่องของปัญญาบา ร, รมีเป็นต้นในการที่ท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นบา ร, รมีทุกข้อลักษณะเหมือนเราดูถามว่าเราจะดูคนเราก็ต้องรู้ว่าคนคนนี้มีลักษณะอย่างไรเหมือนเราจะศึกษาบา ร, รมีหรือบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยเราก็จะต้องรู้ลักษณะของบา ร, รมีว่า ถ้าบรารมีที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลารตนเองนั้นอีกอย่างแต่ถ้าบรารมีที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลารบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างพระโพธิสัตว์ท่านเลยเลยการขัดเกลารตนเองแล้วแปลว่าถ้าท่านจักบรรลุเนี่ยท่านบรรลุได้เลยเพราะบ่มบา ร, รมีเพื่อจะเป็นเพื่อจะเป็นปัจจัยการตัดสู้หรือบรรลุเนี่ยท่านทําแล้วฉะนั้นบา ร, รมีทุกข้อเนี่ย มีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะเช่นการท่านให้ทานทําไมทานที่ท่านให้เนี่ยก็เพื่อจะอนุเคราะห์คนอื่นทําไมจะอนุเคราะห์ออยังไงกรณีที่บอกว่าถ้าทานบา ร, รมีไม่เต็มท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าศีลบา ร, รมีไม่เต็มก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเนคข ม, มาบรบารมีปัญญาบา ร, รมี วิริยะคันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเบขาบารมีบารมีต่างๆเหล่านี้ถ้าบ่มมาหรือสร้างมาไม่เต็มการตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้ไม่ได้ทีนี้เมื่อตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ขนสัตว์หรือสัตว์ให้ออกจากสังสารทุกข์ให้พ้นจากทุกข์คือความเกิดเป็นต้นไม่ได้ฉะนั้นการที่พระบรมโพธิสัตว์นั้นทําไมท่านต้องเพียรพยายามทําไมท่านต้อง รีบเร่งในการที่จะกระทำหามวันหามคืนเนี่ยนะหามวันยันเป็นต้นเน่ยท่านไม่หยุดเลยอะ่ะใจของท่านจะคิดเรื่องบา ร, รมีตลอดท่านไม่อิ่มไม่เบื่อไม่นายในการที่จะสั่งสมอัจารัยใในการที่จะสร้างบา ร, รมีถ้าถามเร า, เราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาคิดดูที่ว่าใจของเราเนี่ยคิดถึงบุคคลอื่นเนี่ยมากไหม วันวันหนึ่งเราคิดพึงเพื่อผู้อื่นเอย่างที่มาเคยโอมายะแยะบอกว่ายามเราถามว่าในขณะที่เราหิวเราคิดไหมว่าคนอื่นก็หิวเนี่ยอย่างเงี้ยหรือในขณะที่เราเจ็บเนี่ยคนเจ็บกว่าเราอีกเยอะแยะเป็นต้นอะไรเนี้ยพระองค์คิดไงว่าสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในชาติทุกข์จมอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย จมอยู่กับความโศกความลำไรลรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจสัตว์ทั้งหลายประสบกับความทุกข์คือมีทุกข์เพราะความเกิดเป็นต้นเหล่านี้เราจะต้องช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้ทีนี้พอบอกจักช่วยให้ได้คนจักช่วยผู้อื่นได้คนคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้าระดับเป็นสาวกไม่ได้ระดับอย่างสาวกทั้งหลายอย่างมากก็แค่ ความคิดถ้าไปเจออุปสรรคหน่อยก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยไปเจออุปสรรคหน่อยก็ไม่เอาแล้วหนีแล้วทุกหน่อยก็ไม่เอาแล้วร้อนหน่อยก็หาเย็นแก้และเป็นต้นเหล่านี้แต่ใจของพระโพธิสัตว์นะ่ยท่านไม่ได้คิดอย่างนี้ท่านคิดว่าท่านจะแบกทุกทั้งหมดของสัตว์ทั้งหลายนะ่ยไว้ในตน ชาติทุกชาาทุกพยาทีทุกและมรณะทุกทั้งหลายเนี่ยที่สัตว์ทกทั้งโลกทั้งหลายระงมด้วยพิษไข้ทั้งหลายเนี่ยที่จมกันอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยความทุกเหล่านั้นน่ยพระองค์เอามารับไว้ในตนทําไมต้องรับเช่นว่าถ้าต้องการจักเป็นพรธเจ้าก็แปลว่าต้องสามารถที่จะยืดสังสารวัฏให้ยาวไกลได้แปลว่าไม่ไม่ยอมพ้นทุกไปก่อนตอนเองยอมลําบากแต่ไม่ยอมลําบากเหมือนกลุ่มเล่นวัตต์ ถ้ากลุ่มเล่นวัตตะทั้งหลายเนี่ยแปลว่าเขายอมลำบากแบบประเภทไม่รู้เรื่องพบชาติผ่านไปผ่านไปเขาก็อยู่เป็นเนี้ยเขาไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยในการที่จะเป็นอะไรเลยในสื่อจริงๆเขาก็กลายเป็นอยู่กับวัตตะไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดลมๆแ้งๆอย่างนั้นแต่พระโพธิสัตว์นั้นมีเป้าหมายมีอัธยาศัยสัมมาสัพพิยานฝังแน่นในกมลสันดานในจิตใจฝังแน่นอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลา แล้วทุกความคิดเนี่ยก็จะน้อมไปในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีศีลเนคขมะถามว่าทุกชาติเนี่ยบาเพ็ญทุกบารมีใช่ไหมใช่แต่บารมีไหนจะแก่กะ็ยิ่งขดตัวยิ่งใกล้วันใกล้ใกล้พบชาติเหตุาการตรัสรู้มากเท่าไหร่บารมีนั้นยิ่งเข้มขน้นไม่ใช่ยิ่งหย่อนยานเหมือนที่บอกว่าเหมือนนักวิ่งเหมือนนักกีฬาทั้งหลายอ่ะ ออกตัวแรกๆอาจจะอืดๆนะแต่ถ้ายิ่งใกล้ขึ้นมาก็ยิ่งทําเวลาในบรรดาบา ร, รมีทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นในบา ร, รมีต่างๆเหล่านั้นนั่นแหะพระองค์ก็เร่งบําเพ็ญเพียรฉะนั้นในลักษณะของบา ร, รมีทั้งหมดเนี่ยมีทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงเวขาบา ร, รมีเป็นที่สุดนั้นน่ะมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะอนุเคราะห์สัตว์ที่บอกว่าเราตัดสู้แล้วจกให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยไหมเราพ้นแล้วจะให้บุคคลอื่นพ้นด้วยเนะ่ยสังสารวัตรมีภัยมากฉะนั้นเมื่อมีชาติภัยมีชรลาภัยมีพญาที่มีบราณะสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในวัฏฏะทุกข์แล้วก็ไม่รู้จะออกกันยังไงวิ่งพรานกันไปหมดในสังสารในในสากลจักรวาลไม่ว่าทุกภพเป็นอย่างนี้หมด แปลว่าออกไม่ได้บางกลุ่มก็ติดวัตถุกรรมบางกลุ่มก็เกี่ยวกันในเรื่องของการนู่นไปติดในรูปประพบอรูปประพบนู่นโดยสรุปก็คือเนี่ยกลุ่มได้ฌานสมาบัติเล่นสมาธิก็ไปติดอยู่ในสมาธิออกไม่ได้เหมือนเราท่านทั้งหลายที่จะไปฝึกสมาธิโดยไม่รู้วิปัสนาคืออะไรเนี่ยหรือโดยศึกษาคําสอนไม่ดีแต่ใจร้อนอยากจะไปจะเจริญกรรมฐาน ก, นก่อนเนี่ยนะในส่วนจริงก็ไปติดอยู่แั่นแหละ แล้วในสุดก็ออกไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ความสุขไปวันๆแล้วก็เอาความสุขจากการแต่กอดนี่นะเราได้ความสุขจากวัตถุกรรมนี่เราเบื่อแล้วไม่พอแล้วแล้วก็เออเอาความสุขจากได้สงบนิดๆในหน่อยเราก็ไปสําคัญว่าไอ้ความสงบนั้นเป็นเป้าหมายของชีวิตเขาอีกในส่วนจริงก็ไปติดงัดอยู่ไอ้ความสุขตรงนั้นแหละแล้วก็ออกไม่ได้นั้นพระบรมโพธิสัตว์หรือพระเจ้าเนี่ยหรือคนที่เป็นท่านที่เป็นพระเจ้าทั้งหลายท่านทราบเลย บอกว่าถ้าเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยจะสามารถแกะความเข้าใจผิดของสัตว์หรือกระช่าความเข้าใจผิดของสัตว์ทั้งหลายให้หลุดจากจิตใจได้แล้วให้สัตว์เหล่านั้นเข้าใจอย่างแ จ, จ่มแจ้งอย่างชัดเจนบอกว่านั่นไม่ใช่หนทางนั่นไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพราะนั่นเป็นการที่ถูกลุมล้อมโดยตัณหามานะทิ่ติที่ไปติดแน่นในวัตถุกรรมบ้างไปติดแน่นในพวกเกี่ยวในเรื่องของฌานสมาบัติไปต้นบ้าง ในสุดจริงสัตว์เหล่านั้นก็ออกจากสังสารวัตรไม่ได้ก็ในสุดจริงก็วิ่งเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัตบางทีบางพบบางชาติดังที่ได้กล่าวเป็นเท้าหมาพรมบางพบบางชาติก็ไหลเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์แม้ลงอบายภูมิเป็นสัตว์ในเอวีจีเขายิ่แล้วแล้วก็วิ่งไปก็วิ่งมาท่านจ้าอุปมาว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนสัตว์ที่อยู่ในหนองน้ําเหมือนปลาในหนองน้ําเหมือนสัตว์น้ําในหนองน้ําทีนี้สัตว์ในหนองน้นําเนี่ย มันออกจากหนองนะไม่ได้ข้างบนมันจะมีข่คุมอยู่อีกด้วยโผล่มาก็ติดไข่โผล่ขึ้นมาก็ติดไข่สัตว์ทั้งหลายนี่หนาแน่นด้วยตันหาคือความยินดีเพลิดเพลินมานะคือความถือตัวหรือตนมิฉาทิฏฐิคือความสำคัญผิดความเห็นผิดนั้นะเต็มไปด้วยความยึดถือถือผิดสำคัญผิดแล้วก็เห็นผิดไอ้ความถือผิดสำคัญผิดนะ แล้วก็ถือผิดสําคัญผิดแล้วเห็นผิดเนี่ยตระหาานามนัทิฏฐิเนี่ยมันก็โผมาก็ติดตะข่ายติดตะข่ายแต่สัพพัญญตยานของพระบรมศ า, ศาสดานั้นน่ยกว้างไกลกว่าไายคือมิจฉาทิฏฐิของสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฏจักรวันทั้งสิ่งฉะนั้นสัพพัญญตยานทั้งหลายเนี่ยคุมไข่คือมิจฉาทิฏฐิของสัตว์ทั้งหลายสามารถเปิดไข่คือมิจฉาทิฏฐิให้สัตว์ทั้งหลายได้หายใจหายคอ ได้เงยหัวออกจากสังสารวัตรเขาเรียกว่าเงยศีรษะออกจากวัตะได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสัพพัญญตญาณเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะเงยศีรษะออกจากกันดานคือพบเป็นต้นได้ตรงนี้นี่แหละทำไมถึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างคนที่ศึกษาคาสอนเนี่ยก็รู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสติปัญญาเพียงเล็กน้อย เพียงแค่ว่าจะให้ข้อมูลบ้างเป็นแนวทางไม่มากแต่ถ้าพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยสัตสวนนาา์ในแสนโกดจักรวาลนั้นอัธยาศัยมาแสนโกดในแสนโกดบุคคลเนื้อหรือหรือแต่ละจักรวาลแต่ละจักรวาลมีไม่รู้กี่ร้อยร้อยล้านอัธยาศัยพระองค์ก็รู้อัธยาศัยของท่านเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็สามารถให้คําสอนที่เหมาะกับอัธยาศัยกระชากความผินผิดของสัตว์นั้นหลุดได้และให้สัตว์เหล่านั้นได้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้ า, าได้เป็นต้น นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นนี้เราถ้าเรารู้จักพระองค์จริงๆเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์เออไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างคนอย่างเราขั้นหลายเข้าใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นพรมยิ่งกว่าพรมเขาถึงบอกว่าเป็นเป็นบรมครูศาสถาเดวมนุษย์เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ที่อย่างที่เราไปสําคัญว่าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยอันนั้นช่ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปรากฏอยู่กับพรหมเนี่ยพรหมก็ไม่รู้ว่าก็ก็ยิ่งกว่าพรหมถ้าไปอยู่ในท่ามกลางของเทวบริษัทก็ยิ่งกว่างดงามเด่นยิ่งกว่าเทวบริษัทหรือมาปรากฏในมนุษย์นเนี่ยนะก็เด่นกว่ามนุษย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพรมยิ่งกว่าพรมเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดานั้นพระองค์เป็นวิสุทธิเทพจริงๆไม่ใช่บริสุทธิ์แต่เฉพาะแต่ในนามอาคารของท่านแม้รูปอาคารของท่านก็บริสุทธิ์จริงเพราะว่าบริสุทธิ์หมดจดเพราะกรรมที่ท่านทำมานะั่นเองบริสุทธิ์ในที่นั้นประการต่อมาคือมีการทําการอุปการะแก่ผู้อื่นเป็นรถอนุเคราะห์กับอุปการะถ้าถามบอกว่าลักษณะของบารมีกับกิจของบารมี จิตคือการงานหน้าที่ของบา ร, รมีเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนกันแต่มีจุดที่ต่างกันต่างกันตรงที่ว่าอุปการะเนี่ยผู้อื่นเป็นลักษณะเนี่ยถามว่าอนุเคราะห์กับอุปการะเห็นไหมการอุปการะเนี่ยถ้าต้องพูดถึงจิตของของเขาเนี่ยจะมีจุดที่ต่างกันเหมือนอย่างนี้เหมือนคําว่าโอสติอะ่ะ สตินั้นเป็นมีความระลึกได้เป็นลักษณะมีการไม่หลงลืมเป็นกิจเนี่ยใช่ไมพอระลึกได้เป็นลักษณะบอกว่าไม่ไม่หลงลืมเป็นกิจพอบอกไม่หลงลืมเป็นกิจโอ้หน้าที่ของเขาคือหน้าที่ของสติคือการไม่หลงลืมสิ่งบอกว่ากายกรรมวจีกรรมที่ทำแม้นานก็สามารถระลึกได้และจำได้ หรือว่าจําได้สติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละคําสอนพระเจ้าสามารถจําได้อย่างเรียลอยอลักษณะนี้เป็นลักษณะของสติสติที่มีลักษณะการระลึกได้นั้นเป็นส ต, ทสติที่บวกกับสัญญาฉะนั้นมีการอุปการละแก่ผู้อื่นเป็นกิจหรือมีการไม่หวั่นไหวนั่นเองเป็นลถเนี่ยก็หมายความบอกว่าเวลาไปอุปการละการที่อนุเคราะห์บุคคลอื่นใช่ไหมนอกจากอนุเคราะห์พอไหมไม่พอ ต้องไปดูหน้าที่ของเขาด้วยว่าหน้าที่ของบา ร, รมีแต่ละบา ร, รมีนั้นถามว่ามีการอนุเคราะห์บุคคลอื่นอนุเคราะห์แม้กระทั่งตอนเป็นพระโพธิสัตว์เช่นคนเขาไม่มีให้สละบริจาคหรือไม่โกรธใช่ไหมให้ความไม่โกรธเป็นด้านของศีลบา ร, รมีเป็นต้นเหล่านี้กรณีแห่งว่าถ้าพูดถึงในด้านของเนกขมาบรบารมีเป็นต้นเหล่านั้นก็หมายความว่าจิตที่น้อมออกจากภพเป็นต้นเหล่านี้ แล้วก็มีการที่จะน้อมให้บุคคลอื่ น, นออกจากภพเป็นต้นเลยเนี่ยลักษณะที่กรณีที่บา ร, รมีที่เป็นกิจของบา ร, รมีต่างๆเลยเนี้ยดูว่ามีการอุปการะเนี่ยอุปการะนั้นน่ะไม่ท้อเช่นว่าให้แค่นี้เนี่ยเมื่อไปเจอคนที่เขาโลภเขาไม่พอเนี่ยก็ไม่ก็ไม่โกรธ น, น้อมที่จะช่วยเขา อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่ไปช่วยเขาเพื่อจะอนุเคราะห์เขาแต่เขาทําร้ายตัวเองก็วางใจโดยไม่โกรธนะนอกจากไม่โกรธแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปคิดบอกว่ า, วาอี้เราก็จะอนุเคราะห์คุณแล้วทำไมคุณมาทําร้ายเราใช่ไหมโดยมากเราก็จะคิดกันในลักษณะอย่างนี้บอกว่าไอ้เราเนี่ยมีจิตเมตตาคุณนะมีจิตกรุณาคุณนะเพราะเมตตาเราปรารถนาดีมีความรักความเอื้อทร กรุณาล้วก็เราเห็นคุณทุกข์แล้วเราทนไม่ได้เราปรารถนาจะช่วยเขาแต่พอไปช่วยเบียดเสร็จแล้วเ้าทำร้ายเอาก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ท้อไอตัวไม่ท้อคือกิจไม่หวั่นไหวให้เท่าไหร่ก็ไม่หวั่นไหวเช่นตอนที่เป็นพระเวสสันดรเห็นไหมยกยกใกล้ชิดหน่อยแต่ทุกชาติก็ไม่แทบไม่ต่างที่บอกว่าพอให้ให้ช้างปัจจณาเขต ต่อมาประชาชนก็ล้อมเมืองขับไล่ท่านก็คิดบอกว่าอย่าว่าแต่ให้ช้างเลยแม้แต่จะราชบรรลังก็ให้ได้แผ่นดินทั้งแผ่นดินยังให้ได้อย่าว่าแต่แผ่นดินทั้งแผ่นดินเลยควักหัวใจเดี๋ยวนี้ให้ก็ยังได้เด็ดดวงใจยื่นให้ได้เลยแล้ ว, ลวไม่หวั่นไหวด้วยลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกกิดไม่หวั่นไหว อุปการะคนอื่นน่ยไม่หวันไหวต่ออะไรที่จะเกิดขึ้นมุ่งหน้าจะ ก, กระทำแล้วไม่ได้ทําอย่างงมงายทําแบบรู้ข้อมูลทําแบบมีความเข้าใจทําแบบสติปัญญาชัดเจนเมื่อทําแล้วก็ไม่รู้สึกหวันไหวในการกระทําเพราะเป็นเป็นข้อมูลที่ไตรตรองใครครวญอย่างดีแล้วรอบคอบแล้วพิจารณามาอย่างยาวนานมาแล้วในสังสารวัตรกุศลต่างๆเหล่านั้นกระตุน้นเตือน ความคิดของท่านให้คิดอย่างยาวไกลด้วยว่าท่านไม่ได้ทําเพื่อเพื่อตนเองท่านต้องการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะแล้วต้องการอุปการะจริงๆไม่ท้อใจแม้ท่านผู้นั้นจกประทุสล้ายตนให้สังเกต ด, ดูไหมว่าอันมาจะยกบ่อยที่สุดในชาติที่เกิดเป็นพยาลิงเวินด้วที่ว่าเจออดีตชาติของพระเทวทัตตั้งแต่กระโดดเหยียบหลังนด้จนกระดูบเคลื่อนในสุดจริงท่านตายท่านไม่เคยกโกรธเลยเพียงจะบอกว่า ใจของท่านเนี่ยแตกสลายแล้วท่านต้องชักให้ลิงทั้งห้าร้อยตัวโดดเหยียบหลังผ่านใปผ่านใปผ่านใปที่ตนเองเกาะเทวั น, นพอองค์ตัวสุดท้ายขึ้นไปสูงๆูงก็กระโดดเหยียบเต็มที่เลยกระดูกหลังก็เคลื่อนเนี่ยท่านบอกว่าใจของพระโพธิสัตว์แตกสลายแล้วแต่ความอดทนไม่แตกสลายไม่โกรธเลยแล้วถามท้อไหม ที่ทำมาเนี่ยถือเป็นความผิดใช่ไหมช่วยเขาแล้วก็กดพุทโธสลายไม่นี่ไงหวั่นไหวไหมเนี่ยกิจกิจของบา ร, รมีแต่ละข้อท่านทั้งหลายก็ดูไปลทั้งทานนะบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคกามาปัญญาวิริยขันติส จ, จา่าธิฏฐานามเมตตาอุเบกขาทุกข้อเป็นอย่างเนี้จะมีการอุปการะอย่างเนี้ยมีการเข้าถึงอัตถาย่างเนี้แล้วตั้งใจแล้วไม่ถอยไม่ใช่ไปเจออุปสรรคแค่ น, นี้โ อ, ไอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ใช่ นับวันจะต้องทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่โกรธแต่บอกโมหะที่ฝังแน่นในกำมู ล, ลสันดานของสัตว์นี้น่ารังเกียจเนอเราจะต้องตัดสรู้แล้วก็ทําลายโมหะของสัตว์เหล่านี้ให้สิ้นจากกำมู ล, ลสันดานของสัตว์นี้ให้ได้จะให้สัตว์เหล่านี้ตัดสรู้ตามเราเมื่อเราได้ตัดสรู้แล้วเห็นไหม การคิดในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้คิดเพื่อตนจริงๆไม่ได้คิดเพื่อตนเลยอันนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็นคิดไม่ไม่ต้องพูดถึงในภพชาติที่เป็นมนุษย์ถามว่าในขณะที่ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านคิดได้ยังไงอัธยาศัยที่สั่งสมอย่างยาวนานแต่ในมรณาสันนการบางภพก็พลาดมันเป็นไปไม่ได้หรอกความเป็นบุุรชนเนี่ยที่จะยืนหยัดในความเป็นมนุษย์อย่างเดียว สังสารวัตรเป็นแบบนี้แหละการเล่นการเดินกับเขาพลาดทุกคนถ้าเป็นบุตรชนแต่ท่านพลาดแต่อัตยาสัยของสัมมาสัมโพธิญาณมันปักแน่นนะมันปักแน่นในใจถอนไม่ได้ต้องบรรลุให้ได้ถอยไม่ได้ถามว่าคนละมุมกับมิจฉาทิฐิใช่ไหมใช่สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฐิคนละมุมถ้ามิจฉาทิฐิก็ถอนไม่ได้เหมือนกันคือก็ถาวรแล้ว มันก็จะเป็นไปในสังสารวัตรหมายถึงมิจฉาทิถีที่แบบประเภทดุลแรงนะไปถึงนิยตามิจฉาทิถีไปเห็นว่าไปเห็นว่าการกระทําไม่มีผลหรือว่าไม่มีเหตุปัจจัยบ้างหรือไปเห็นกรณีที่บอกว่ า, วาปฏิเสธผลทานไม่มีผลใช่ไหมการให้ทานไม่มีผลเนี่ยแต่บูชาไม่มีผลการวงสรวงไม่มีผลโลกนี้โลกหน้าไม่มีคุณของบีดามารดาไม่มีเป็นต้น ก, กรณีอย่างนั้นก็แปลว่าสุดตรงแล้วแต่ส้ำ ม, มาทิฏฐิมันไปตรงกันข้ามกับมิฉาทิฏฐิแต่ว่าเมื่อเข้าถึงความตั้งมั่นแล้วก็จะไม่ไม่ถอนนักษณะอย่างนี้เขาบอกว่ามีการอุปการละแก่ผู้อื่นเป็นรถรถรัษาในที่นั้นเขาเรียกว่ากิจหรือการงานหรือมีความไม่หวั่นไหวนั่นเองมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจุบานก็หมายความว่า ตรงนี้เขาเรียกมีความเป็นพระพุทธเจ้าคําว่าแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยประโยชน์ในที่นั้นน่ะจริงๆท่านตั้งประโยชน์3ไว้ตั้งประโยชน์ในปัจจุบันนพบเขาเรียกประโยชน์ในพบนี้ประโยชน์ในพบหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งนั้นหมายถึงปรมัทถประโยชน์เก่าวคือการสิ้นทุกข์ถามบอกว่าการแสวงหาประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยท่านแสวงหาปรมัตัยประโยชน์นั่นแหละ แต่ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภพหน้าจะไม่ขัดถ้าประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยขัดปรมัตถะประโยชน์ประโยชน์อ ย, ย่างยิ่งท่านจะไม่ทําเช่นประโยชน์ที่ทําในปัจจุบันแต่ขัดการบรรลุพระนิพพานเนี่ยท่านไม่ทําประโยชน์แบบนั้นน่ยเราท่านทั้งหลายเยอะแยะหมดที่เราเคยเห็นว่าเออีนประโยชน์ของครอบครัวเราเนียประโยชน์ที่เราจะได้เป็นต้นแต่มันขัดเช่นการกระทําบางอย่างมันได้แต่มันเป็นไปกับความโลภอย่างท่านมันขัดปรมัตถประโยชน์ ขัดกสวรรค์เป็นต้นเหล่านี้ท่านจะไม่ทำแต่ว่ามีความอะไรนะมีความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าการกระทาใดๆต่างๆถ้าจะขัดขวางสัมมาสัมพธิยาณหรือการเป็นพระุทธเจ้าท่านจะไม่ทำท่านจะไม่เอาประโยชน์อันนั้นเช่นถ้าท่านจะได้สมบัติมานี่นะหรือได้สิ่งต่างๆมาเนี่ยแต่ว่ามันขวางเส้นทางการเป็นพระพุทธเจา้าท่านไม่เอา อะไรล่ะอะไรขวางเช่นมรรคผลที่ท่านจะเอาในปัจจุบันเห็นไหมก็ยังขวางการเป็นพระเจ้าของท่านเลยท่านยังไม่เอาเลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมต้องถ้าเจาะให้ไปดูละเอียดให้ลึกๆเข้าไปเราจะเห็นว่าไม่ใช่แต่ประโยชน์ที่เป็นไปกะโธธรภาโทศาสตร์หรอกแม้ประโยชน์การเป็นพระโสดาบันท่านก็ท่านก็มองว่าท่านขวางนี่ไม่ใช่เรานะเดีย๋ยวจะไปมองว่าโอ้เราก็จะไม่เอาโสดาปฏิมากรยิ่งยุ่งใหญ่เข้าใจยัง อย่างเราเนะี่ยคว้าไว้เถอะให้บรรลุเลยนะคว้าไว้เถอะเพราะกว่าจะได้ก็ยากเลยใช่ไหมแต่อันนี้หมายพูดว่าให้เห็นคุณของท่านแต่ถ้าในระดับพูดที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีไม่ว่ากันแต่ขอให้บำเพ็ญบา ร, รมีด้วยการได้ข้อมูลอย่าบำเพ็ญบา ร, รมีแบบข้อมูลไม่ถึงมันกลายเป็นป่าถนาด้วยความอยากหรือตัณหา ท่านขอให้เป็นไปกับความรู้จริงๆฉะนั้นในศาสนาของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้สัมมาทิฏฐิให้สัมมาสังกปะให้สัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอาชีวะสัมมาวิมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมท่านจะไม่ให้มิชาทิฏฐิฉะนั้นคนถ้ามีสัมมาทิฏฐิในระดับต่างๆแล้วท่านจะเลือกเองเมื่อท่านเข้าใจข้อมูลแล้วท่านจะรู้ว่า กำลังของท่านเนี่ยควรจะเดินระดับไหนควรจะเดินระดับไหนจะระดับอย่างไรหรือจะวางแผนชีวิตยังไงเพราะจะไม่ได้วางแผนด้วยตัณหาอย่าลืมนะว่าชีวิตทางโลกเราวางแผนกันด้วยตัณหาแต่ถ้าทางธรรมไม่ใช่ถ้าทางโลกเนี่ยเราใช้โลภะวางแผนก็ได้ใช้โทสะวางแผนก็ได้ใช้โมหะวางแผนก็ได้แล้วก็ไปสารพัดไปถีดไปถูกประสบความสำเร็จในทางโลกกันเยอะแยะแต่ทางธรรมไม่ใช่ ทางธรรมนั้นเป็นการวางแผนหรือวางเป้าหมายชีวิตด้วยสมาธิฏฐิและความเห็นที่ถูกต้องและต้องกระจายสมาธิฏฐิจากจุดเล็กๆนั้นให้เป็นจุดกว้างให้ได้ตรงเนี้ยนั่นทั้งหลายก็ต้องไปศึกษาและไปทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าเราจะขยายสมาธิฏฐิได้ยังไงเช่นรูปที่เราเห็นเนี่ยนะเราทําสำมาธิฏฐิให้เกิดได้จริงไหมแล้วเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสได้เอิดกลิ่นที่ถูกได้ได้ดมหรือว่า รถที่เราได้ได้ลิมเย็นร้อนที่ได้สัมผัสคิดนึกเรื่องราวต่างๆสมมาทิฏฐิเดินได้จริงไหมในชีวิตก็ลองไปคิดดูแล้วเราขยายแวดวงของส ม, มาธิฏฐิได้กว้างไกลไหมเช่นเรามองหน้าคนนี้ยกุศลเกิดส ม, มาทิฏฐิเดินแล้วไปมองอีกคนหนึ่งอะ่ะส ม, มาทิฏฐิเดินไหมถ้าไม่เดินก็ทําไมเดินไม่ได้ก็มาสังเกตดูว่าทําไมใจถึงติดขัด ว่าถ้ามองเรื่องนี้แล้วสมาธิิเกิดมองเรื่องนี้สมาธิิไม่เกิดถ้าพระบ ร, ริษัทไม่ใช่พระบริษัทเนะี่ยกรรมสกตาสมาธิท่านมองได้ในทั่วไปกับสัตว์โลกทั้งสิน้นท่านเข้าใจอ่ะท่านเข้าใจพวกเราเข้าใจว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยติดข้องในสังสารวัฏและเข้าใจว่าจะช่วยเราอย่างไงแปลว่าท่านรู้กรรมรู้ผลของกรรม เข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจผลของกรรมเข้าใจวิปัสนาเข้าใจฌานสมาทิฏฐิเข้าใจมรรคสมาทิฏฐิและผลสมาทิฏิปัจเวกสมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีแล้วท่านเจริญสมาทิฏฐิท่านเข้าใจแต่เพียงท่านยังไม่ยอมเข้าถึงมรรคสมาทิฏฐิแปลว่าท่านไปเดินวนเวียนในประตูพระนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องปกติในกรณีที่ท่านสร้างบา ร, รมีมาระดับอย่างนี้ระดับ แค่เก้าเอแค่เจ็ดอสงไขยเนี่ยแปลเป็นเรื่องปกตินัง่นแปลว่าท่านได้แล้วท่านจะคว้าได้จริงๆคว้าได้อย่างมหาศา์ด้วยแต่แต่ด้วยยังไงด้วยบา ร, รมีที่ท่านปรารถนาจะขนเราที่ต้องการจะให้เราได้ฟังคําสอนวันเนี้ยถ้าเราคิดอย่างมุมวันนี้นะก็คือพวกเราที่ได้มีโอกาสได้ฟังคําสอนกันวันนี้เนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยเนี่ยในคิดในลักษณะเนี้ย มีการอุปการะผู้อื่นเป็นรถแล้วมีความไม่หวั่นไหวเป็นรถเป็นต้นหรือเป็นกิจมีความแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจุบัฐานก็คือแสวงหาการเป็นพระเจ้านั่นเองมีพระมหากรุณาธิคุณตรงนี้เป็นประธานตรงนี้แหละบารมีทุกข้อนั้นอ่ะจะมีพระมหากรุณาธิคุณหรือมีความเป็นผู้ฉลาดเห็นไหม สรุปแล้วก็คือความมีมหากรุณาที่คุณทุกบา ร, รมีเลยอัธยาศัยในการที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบา ร, รมีเพราะอะไรมีมหากรุณาที่คุณและในการที่บำเพ็ญทานบา ร, รมีนั้นพระองค์ก็มีความฉลาดในการที่จะให้จริงอยู่ถ้าเรามองในแง่ของทานบา ร, รมีที่พระองค์ทรงให้มาในพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญมานี่นะท่านบอกว่าท่านไม่เลือกเลย ไม่เลือกเลยว่าสัตว์ผู้นั้นจะเป็นยาจากวนิพกระดับต่ำนะระดับปานกลางแม้ระดับอุกฤษสูงสุดท่านจะไม่เลือกทานบารมีเลยท่านวางใจได้เสมอเหมือนด้วยการการที่ไม่เลือกนั้นคือเป็นทานบารมีเห็นไหมการที่เป็นผู้ฉลาดในการที่จะรักษาใจของตนเองนั้นน่ะให้เป็นไปกับกุศลนี่เป็นความฉลาดในอุบายนะเป็นความฉลาดในอุบายนะ แล้วก็มีมหากรุณาโดยทุ่นหน้าไม่เลือกว่าท่านผู้นี้อยู่ระดับสูงแล้วไม่ควรกรุณาท่านผู้นี้ระดับกลางควรกรุณาให้ลดลงท่านผู้นี้อยู่ในระดับต่ําคนกรุณาให้มากอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แต่ท่านวางกรุณานั้นให้เป็นไปโดยความเสมอกันได้นี้คือความฉลาดในการเดินกรุณาเราท่านทั้งหลายเนี่ยยากมาก เรามองหน้าคนนี้เรากรุณาหันไปอีกคนนึงกรุณามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นต่างกันไหมหความที่เราจะวางใจให้เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งคำให้กรุณาเป็นไปเหมือนสีมาสามเพศยากจริงๆให้มีความเสมือนเนี่ยให้มีการเสมอกันเนี่ยแล้วเหมือนเมตตาเป็นต้นใช่หไหมหรือทานเป็นต้นเนี่ยเอาที่เราจะให้ทานเาา น, นี่ยทานคนนี้คนนี้เรารักมากให้เยอะๆอ่ะคนนี้ ไม่ลักน้อยก็ให้น้อยเงี้ยคนนี้ไม่ลักเลยให้นิดงเงี้ยนะเือเผลอๆไม่ให้เลยเงี้ยอันนี้คือความความขาดกรดุนาที่มีความฉลาดเป็นตัวประทาฐานอีกทีฉะนั้นในพระโพธิสัตว์ไม่เป็นถ้าเรามองอย่างนี้บอกว่าการให้น่ะไม่ยากแต่การวางใจที่จะฉลาดในการให้เนี่ยยากใช่ไม่ใช่